ไม่วความเข้าใจไม่วความสงบไม่วความเย็นใจมนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือที่รู้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นหายอยู่หากินทํารองทารังอยู่ส่ว จ, จิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เค่องยึดมนุษย์ท่านมีสองศาสนาคือสองเรื่อ ง, จงใจใจในี้ใจให้นี้ทำเป็นเครื่องยึ มีอารมณ์มีที่ขึ่งท่านสอนที่ผิดทั้งหลายว่ามีความที่ผิดทั้งหลายเธอจึงอยู่อย่างมีที่ขึ้นอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความนีที่พึ้งนั้นมีความเป็นสิทธิ์ไม่ว่าเรืไม่วุ่นวายคนไม่มีที่คนอยู่ไม่มีที่ขึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำนะหัง สอนผู้ศึกท่านสันว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติท่านมีทําเป็นเครื่องกากับใจเสมอทุกเอาอทท่านเรียกว่าอยู่มีพิพิธถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิับภาวนาการใช้ส่วน เรียกว่าไม่มีพิสุขในคำส่ น, สนพิสุขพิสุขท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบวชเป็นพระเป็นบวชญาตั ว, วเป็นเรียกว่าฤิสุขแต่ว่าผู้เห็นไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพะนี่เราก็คนคนหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้ า, าสอนสืบสุ่ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความกป็นมือความทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่าสอนสืกสูก็พราำกัตเพือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจันาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบุในด้านทางสอนอย่างเดียวกันในหนึ่ง ลีนในนั้นเป็นอีกแนแล้ า, ยาอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่ขึ้นิพิพิพิพิพรพิพิพิพิพีพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพปพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิ้ิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพยพิพิพิพิพ่พิพนพิพิไิพิพิพเพิพิพิพิพวพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพวพิพิพิพิพ เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความปินที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราหรือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างลื่นรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับถืดชอบตนเองไม่มีหลักมีเติม เร่อกว่าความอยู่นั่นมีที่ถืกชินแล้วก็ น, นอนก่อนแล้วกันนินนะก่ อ, อนแล้วนินก็คือชินแล้วนอนนั่นเอททาการทำงานอะไรก็คิดไปเชื่อัน่ละด้านวัาถูกอยากมั่งอยากมีอยากมันอยา ก, ยา ก, ยาก้วยอยากเป็นเศรษฐีกรุ่มปีอยากมีขี้มีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเร็วเร็วเร็วเ็เโอ้เงนานึ่งเร็วเร็วเร็ว เป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจว่าภาพมันเลยกลายเป็นต่งเงินข้ามเกิดความทุกข์ความลําบากหน้ามันกลากองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นปะโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้พร้อมผมดีงาม ในสุนทรภูมิตัวนุ่นเนื้อดินตัวคือเสียงอย่างนี้พ่อแมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แล้วคื่อนั้นคือนี่พ่อแม่ตั้งใช่ไห ม, มยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วพ่อแมใครได้หน้าได้ตาหม่มาทั้งๆ ท, ที่อยากมีหน้ามีตาร อ, อกั้งอยู่ เราไม่ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พื้นภายนอกที่พื้นภายในแล้วการคิดในนี้ที่พื้นภายในนี้ยังจะกลับเป็นประดุจแต่ที่พื้นภายนอกให้พร้อมสมดีที่พื้นภายในคือจิตใจเหลื่อมอาชาธรรมทาใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุดให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสมาย เมื่อใจสมายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จางทิ้นเรความผิดผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรนันก็รู้ไปเองโล ก, ก, กมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมนก็มันก็เย็นแต่เพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้อนพยายามเสอบแต่งหาที่พื้นทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจําเป็นต้องหมั่นกันิที่พึ้นภายนอกก็ ไดแจะอาหารการกินครับสมบัติคุณค่าต่างๆที่มีความจําเป็นกับส่วนร่างกา ย, ยที่เพื่งกันภายก็ได้แจกฟีนธรรมคุณงามความดีการคุณคือยึดเหนือเป็นหลักของใจให้มีคุณคือยึดเหนือใจก็มีความสงบเยือย็นใจเราผสมกับเจตนาที่เรามุ่งกับความสุขความเจริญ มีความีที่ขึ้นภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวพรยิ่งแย่ชรามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อเตือนหาที่ยิ่งภายในนี้ยิ่งเป็นของทีง่สำคัญมากขึ้นโดยลำดับถ้านะเราได้ผ่านโลกมาราพอจะทดสอบสอบคือบอกลงได้ว่าเป็นผลว่าเขาเปานไร ทำให้การต่หแืองหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นดิมที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียวกว่าคุณงามความดีย้อนเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อรปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอินเอ่ม ยิ่ง แ, แม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทําทให้ระลึกถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง้อใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเสมอายเป็นสุดที่ไม่มีความสุดใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองที่ไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจโดยละความสุดนอกจากทําเป็นอารมณ์เท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนที่ศูนย์ทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นมีนักขันที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอยากดีด้วยความปราศจากจิตขึงถ้ามีหลักยึดคีอโดยขำม่เสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำญนุนอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสิวความและลเอียดถ้ากลดขุมขึ้นจะเป็นลังหนัก พจะถึงความทุกขุไปได้ก็เพราะการบำรุงเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักแต่าการสังสมที่ขึ้นมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจิตใจพระว่าครามสอนของพระพุทธเจ้าจรงกลางวานเหมือ น, นอย่างท่านสอนอยู่ทุกทุกขณะทุกสิ่งล้มเลยละโดยที่ท่านไม่ได้ง่านเลย เพราะเท้าวาดเหล่านี้เป็นของจรนเท่านั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับกลางกับสมัยจริงโดยสมัคจริงเมือเราได้ยินได้ฟังด้วยความเจดต่อด้วยความมุ่งมั่นต่อทำที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้ราได้รับและมีความขยันมันเพียงขึ้นโดยง่าย คนข้างพุทธการพระข้างพุทธการวิเวก อ, อาสวะในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามีแตกแต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละเพาฉะนั้นโอวาทที่สอนมาตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนดิบเป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัตติมาทำท่ามกางทั้งการเริม่มเวลาสถานที่ระบุคคทั่วไป เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัตสีมาครับเราจะ ท, ทําตัวงเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัตสีมาหาประทุติมัตสีมาใจของเราก็จะอย่างเข้าสูส่ความสงบอันเป็นศูนกลางของความยิ่งทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบ ด, ด้วยอาการใดก็ตามกับการบําเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการพอดีที่ใส่ทุกต่ ฟังเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียนแล้วชิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ขึ้นขัดก่อนนิสัยเป็นาปไม่ได้แล้วจะกอบความวุ่นวายขึ้นมาแต่กลุ่มไม่เกิดประโยน์นอกจากเป็นพ้นอีกเรื่องหนเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือกันนะความสงบเข้ามาอย่า ง, งช้าๆเข้ามาเข้ามาก็มีบางทีปุออ๊บปั๊บเลยยนั้นคง แต่ผลก็คือคำรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้ทั้งบพิจารณาสมาธิคือความตั้งมัน่นคํำสงบสงบเป็นหลายหลายข้างหดหลายหายหดนั้นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมัน่นอันเป็นฐานทีงติดขึ้นได้โดยไนมะ่ต้องสงสยัยอยู่ที่มีความสงบและมี อาหารในความสงบเป็นที่ลิเหนอยเป็นที่อาศัยย่อมไม่สแสดงความหิหวโหยจนเกินเหตวเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเนรื่องเฉาโหยเราจะใช้กิ่นิจรณาทางทาง่าปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวหวยนั้นไม่มาถิกลากไปเสียจนกลายเป็นทันยา เพราะฉะนั้นสมาธิท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็งถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปยิงไรบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจ ในจังหวัดมันเป็นที่พูมงใจอย่างแท้จริงนั้นที่ความสงมบจัดที่ได้มาจากการข้นฝวายเช่นเดียวกับเราข้นขวายสิบขายนอกนหรือข้นขวายได้ความภาคเทียนนั่นเองอใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากนอก้อยส่านไหนมันไม่ใช่คำหนึ่งแต่มันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นพระโกลกับเวล่าเวลาเดือนงีนาคีโมงอะไร ซึ่งเป็นความ ก, ก, กังวลแต่ตนหรือเปล่าทงตนให้มีความสมมงบไม่ต้องวุ่นวายกับขีนนั่นซึ่งเป็นเรื่องกาเกีมีความสงบได้ด้วยความเต็มของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในฐานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่อง ก, การสถานที่มีเรื่องสมาธิสมหวังปัญญาสมหวั่นก็พิจารณ ส่วนเดินไปไหนมีสิ่งทั้งผัสีดทุกแห่งทุกผลังวนหมือนว่าทําจะมีอยู่ทั่วทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่วิจิตรพิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสกับตาเห็นกับหูรื่นกระจายของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคัตย์แล้วก็น่าใช้ด้วย พิจารณาอะไรก็ขณะเปน็นธรรม เ, เมื่อใจมุ่งต่ออัตตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอ น, นิจจังต้องประกาศติดข้างกัางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรของนอกกับประกาศข้างในเป็ประกาศทางการจัวกับประกาศทั้งใจกับประกาศตัง้งแตเรื่องอันนิจจ์ทุกของอัตตาฟันจิงเพียวกันไปเหมือนกับเครื่องนี น, นี่จ้างเป็นหนึ่งทุกครั้งเั็นหนึ่งอัลตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนี่สายงคนช อ, อบคิดโลกทั่วๆไปคิดสายสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องว่าดภาไปเรื่<ฮ>อยๆเชือกทั้งเส้นมันตั้งอยู่ด้วยกันขี่เดียวพอมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปท้าให้จกิดผลประโยชน์กมาแยกออกจากกานันเดียวนั่งเกินนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไป มิจฉาทูขาตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายจนออกมาถ้าเรารู้แต่เราก็ไปจับแยวใช้จนหมดจนเป็นคนนักชิ้นาะอันไปนี่ต่อไปมิจฉาทุกข า, ารตาลวมอย่างไรนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเสี้ยวลวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสี้ยวมันพันติดกันไว้ อคือตามหลักธรรมชาติเนทุกขั้งมางกปลหนึ่งว่าทนไม่ได้อืก็ไปแยกแยะขับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้ ว, ว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังสต่ว่ไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามอันเดตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแปลกระเพอยู่ตลอดเวลาเลยอันทุกข์ขังก็คือมันกระทบกระเทือนกรับจิตใจเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอีกที่อันรู้ท่าทันมันเสียถ้าเราจะน้าจะสบายไม่ต้องคิดถือหนักหงวงทวงจิตใจอยู่เปล่าอันก็ต่อนง ลูกมันก็มีกตยรากสีสมบูรณ์ไว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาตัญญาสังขารมียางแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันสั้งทุกขังอ น, นัตตานะมันชินใจจิดปากพูแต่ความริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม้วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้ําที่เสียดแทงจิตใจได้แต่อุปาถาไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่างอะไรเข้าใจอะไรมันก็ทุกข์นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ได้ปรามังสุขขังเมื่ยถ้ามันท่องได้โดยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังสุขขังนัตาด้วยความจริง ไม่ต้องคล้องมันต้องบอกพิ่รเพราะพิเรศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันก็ปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั่นแล้วมันก็เบาและหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่รู้ในธทันาสัญญาต้องถามหนึ่งอย่าง ทันเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกขนะ็ได้ขึนกองตั้งจากเพื่อนท่าขึ้นมาถึ ง, งทุกข์กกองทุกขณะนี้มีมากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกบเราจะท่าดได้ไงว่ามันหนักแต่่าถามน้องเรานี่เราแบกตลอดเวลามันเพียงพอท่าบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว และหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เียบก็ยิ่งหนักไปโดยลำบากลามันหนักกว่าภูเขาทำงานนี่ที่เป็นงานกองทุกข์นี่เป็นหินรับปัญญามีความเป็นยั้งสลบับยั้งคงขึ้นมาจากการทำงานแบนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมาื่อจิตไล่เยี่ยงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้ง สิ่เหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเข็มทั้งโคดทั้งตัวที่ไป ย, ยึดถือด้วยความโน่มหลงแล้วน้อกระปล่อยเข้ า, ขามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่มันจวมาไล่มาล้อมเหมือนกับเขายึดลาจะน้ําหมองมากกาจะมีสักี่ตัวอย่างนั้นก็ไม่เห็นงายยึดน้ําออกยึดน้ําออกน้ํามันลดลงไปตามมันก่อ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้สึมซอนอย่างไรไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาที่ซึมซอนของตาเขาเกิดขวดคนดูให้หมดถ้าเหยียบสีท่วงตาไม่เป็นวนน่าน้อยมานตะวงตัวอยู่ในนั้ น, น, นหมดทอนน้าที่ซึม่อนอยังไม่มีถ้ยืดออกหมดนั่นปัญญาควาคอย่างนั้น กวดไปตามรูปกรรมเมตนาตามสัญญาสัญขันญาติซึ่งเป็นที่ซึ่งถอดของกิเหลสต่างๆสัญญาเราขวากไปได้วยอนิจจังทุกขังอสัยเป็นเส้นขวาดผ้วอดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปเราจะเห็นตัวฆาอย่างชัดเจนที่ปรวมลในจิตเดียวนั่นแหละยู่ในจิตฆาตมันรวมรกิเลสกิเลสมันรวม ขอ้อปฏิบอันเดียวประกอนมันไปซุมซ่อนทางต า, ท า, ท, าทางหูทางสมุทรทางวิญนทางกายทางใจทางภาพทางขันเงี่ยภายนอกภายในมก็จะซุมซอนโหมดป่าของมันเป็นที่ซุม่อนของกิเลสมันมีเป็มทั่โลังหเต็มเราไม่สามารถที่จะภาพบริวากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแตกตรอยู่ทุกหยองยากเพราะเพรกิเลสเนื่องจากมันซุมซ่อนอยูุ่กแห่งท่เหนเนี่ยผู้ขอการได้มันก่อนเรื่อย เราเห็นผู้ก่อการได้ถ่ายน อ, อ, อกระกุก่อการได้จะแสดงตัวอยู่ทางในสวงเราเองเราไม่เห็นทัที่ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจนารณาเห็นได้อย่างชัดกเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาเข้ามาเจน ม, มาทาั้งเข้าถึงตุดตุดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมณาณูฟาดออกไป ที่มีเพียรเอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาพลาลงไปที่จิตนันแหลกไปด้วยกันนั้นถ้าจิตจะเป็นแบบที่เหละมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่ทิ่เละมันก็ไม่แหละมันก็ไม่คิบหายพิถีพิถันจะเรื่องของที่เละเท่านั้นเองไม่มีอะไรอยู่อืมอืมตัณฑ์ปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุ เรื่องตั้ฐานที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตมรรคาที่เรืรง อ, าาองเกลยวดึงภายในจิตนั่งแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพานสมบัติจะเรียกว่านิพานสมบัมมติก็หน้ธรรมสมบัติก็หน้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่เย้งกับใครยไม่เรียกในหลักสมาธิ นีด่ดเห็นดิกระกจัดกระจายแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจัดเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงทีุ่ดนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้ไดสบายใจใครมีข้าศึกขัดพิมพ์ขัดจามิ ต, ตรใทดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อ ก่อความไม่ทำลายได้าการใต้ใส่หาที่ขึ้นหรือให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นทีละยกขึ้นในเบืงต้นเป็นอาสิหรือเป็นบทบาทแห่งการเสลียนธรรมพอมาถึงจิตกันเป็นที่ขึ้นอย่าง อ, อื่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ ถ, ถึงที่ขึ้นขั้นออนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลก สาวองทั้งหลายเมื่อได้สนับคําจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองต่างตสอะแสหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในธาตอันนี้อยู่ในในฐานที่ต่างๆจะโอทาักมากแทงมากแท่งประการใดก็อุตส่าห์พยายามหยุดยินเพราะเห็นจะกจะทำเห็นจะทำต้องทุกข์ห็จะทำต้องสตุขึงนกระทั่งในฟ้าติขึ้นเป็นที่ขึ้นอยากอู่ต่างๆลงไป กายเป็นพุทธังสลนังกถามธรรมังสละนังกฐามทามมาามั้งขังสละนังกฐามของตัวเราขานมารวมแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งที่เป็นธรรมอันเดียทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสองท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธมโขทั้งโคจาสิตนาทั้งตมัมติวัติโตอัญญามนีมน ย, นย์โยยาวะเตจีพุทธัมอนัตติโต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 อะไรเง้ยเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดีย่พุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสมว่าสมก็แล้วธรรมาธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของยุทหรือความเมตตุยุทเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอื่สมนรนหน้าอันแตางเพราะสมมติหนึงอยู่พะโลกพอสาร พูดคองสมมุติอยจะพูดแต่เรื่องสมมตไม่เอาสมมุติอะไรพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยหรอกต้องแยกสมมุติออกไปเป็นประเทศประเทศเพื th ่อประเทศปรปฏิบัติเงนสิทธเงื่อนสิตเป็นธรรมทั้งแท่นเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะสอบเสาะหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง หูก็ดูไปทองไปเรื่องขานเรื่องขันเรื่องโรคของฐานกานดูรละเอียดที่ท่วนแล้วจนถึงกับต่อยางมาโดยสิ้นสุดในคุณหารกับสิเมือนนั้นมีแต่ฟุขโควีเวโฟมเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงัดจากพิลิตอาชวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยียมไม่มีความสุขอื่นในรงนี้เหมือย ตามหลักธรรมท่านกล่วไว้ว่านักสิตนั้นจิตปลังสุขขังทุกอื่นยิ่ ง, งกว่ความสงบในหน้าผาไม่หนึ่งนะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจิตทีนี่ว่าเป็นจิตเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่ในงานนี้ของเราไม่ใี่เอก มีอะไรแทบเิเต็นไปหกระทั่งธรรมชาติละเอียนั้นก็มีคุณค่าในความยิ่งให่ของตัวอืกนถึงได้กหนดตว่าอมากมาสนานนั่นตอมีสัิ์ศมีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรว้าบ้าทะเอนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอย right ่างนั้นแหละยิ่งที่ติดดังการว่ามันเพื่อความอ่อนแพเพื่อความเคาะ่อยแบซึ่งก็เป็นนโยบายของเริประเทศหนึ่ง อันหนึ่งเหือนกันถ้าเมื่อเพื่อกการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่านี้ต้องแก้ด้วยการต่างสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาพักก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญสติปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาพักเท่านั้น ทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำกินจะไปส่งเสริมความอาภาัพอาาับเฉาเนี้ยนะทำตนให้อ่อนแนลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเึ็การได้เปกอดของที่เดือดมากมาย ก, ายกัดกองไม่สำคัญแต่เราที่เป็นชาวพุทตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างอง อ, งอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่นี้เรียกว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี้ยจะไม่ถึงมีุธนิพน์ในขณะนี้ชาตินี้ก็ตาม การบำเพ็ญของเราหรือความคูดความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงามผลที่จะถึงได้รนะับก็ไม่อบับพั้ไม่อับเาฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปที่นิสัยพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่าที่เหีือที่เป็นตัวแทรกแต่งเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อบวนความคิดของเราอยู่เสมอไาแล้วกันเมื่อคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอบแเ ข, ข้าไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก่งเงื่อนไขต่างไปเด่นนะเราจะไม่จป็นจอบเป็นมุง แต่พ่เรดดังที่เคยจนเกาะมาแล้วมขอ่ยุดจีเพีางา